มีคุณยายคนหนึ่งนะมีอาชีพขายขนมที่สถานีรถไฟเวลารถไฟมาจอดที่สถานีนั้นเนี่ยคุณยายก็ถือถาดขนมนะเร่ขายก็เดิมมันชานชลานี่แหละแต่ว่าผู้โดยสารก็ไม่ค่อยอุดหนุนขนมของคุณยายเท่าไหร่ผมเพราะว่า ขนมนะ่าจะไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่นะแม่คุณยายแกก็แก่แล้วนะแต่ว่าแกก็ยังขยันขายขนมรถไฟขบวนไหนมาจอดแกก็ถือถานนี่แหละนะเดินไปตามขบวนหรือเดินไปตามตู้รถต่างๆแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีผลซื้อนะแต่มีผู้ชายคนหนึ่งหน้าตาดีนะ แกก็มาขึ้นรถไฟที่สถานีเนี่ยทุกเช้าเพื่อไปทํางานและสิ่งที่แกทําเป็นกิจวัตรก็คือว่าซื้อขนมของคุณยายเนี่ยพอไปถึงแกก็หยิบขนมของคุณยายขึ้นมา1ห่อแล้วก็รีบเดินพร้อมกับย่อนเงิน20บบาทแล้วก็รีบเดินขึ้นรถไฟไปโดยไม่สนใจเงินทอนเลยแม้แต่น้อย แล้วก็ปล่อยให้คุณยายเนี่ยมองกระบอลรถไฟนั้นเนี่ยวิ่งออกไปจากชานชาลาจนสุดสายตาแกทำแบนี้ทุกวันนะไม่มีวันไหนที่เว้นเลยนะยกเว้นวันเสาร์ที่ที่แกไม่ได้ไปทํางานวันหนึ่งเนี่ยชายหนุ่มคนนี้แกก็ทำเหมือนเดิมนะหยิบขนมหนึ่งหอ่อแล้วก็หย่อนเงิน20บาทแต่ว่าก่อนที่ชายหนุ่ม น, นั้นจะ เดินขึ้นไฟคุณยายแกก็ฉุดแขนชายหนุ่มคนนี้ไว้ชายหนุ่มคนนี้แกก็รีบหันมาบอกคุณยายเลยนะคุณยายไม่ต้องสงสัยเลยนะว่าทำไมเนี่ยผมถึงทำอย่างนี้ทุกวันผมอยากช่วยคุณยายอะ่ะสงสารคุณยายยายบอกเปา่าพนม ขนมยายมันราคา25บาทก็กลายเป็นว่าเนี่ยชายหนุ่มเนี่ยแกให้เงินไม่ครบเป็นอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันแล้วแกไม่รู้ตัวนะแกคิดว่าเนี่ยแกช่วยหญิงชราเพราะแกคิดว่าขนมคุงยายราคาสิบาบาทเงินทอนหบาทนี้ฉันไม่สนใจ ทำงี้แล้วเขาศึกภาคภูมิใจนะว่าฉันเป็นคนที่มีน้ําใจคนอื่นไม่สนใจช่วยเหลือคุณยายเลยนะมีแต่ฉันช่วยเหลือคุณยายทุกวันนะเงินทอนไม่เอาเลย5บาทที่ไหนได้นะแทนที่จะช่วยเงินแทนช่วยช่วยคุณยายกับการว่าแก่ไปเบียดเบียนคุณยายนะเพราะว่าคุณยายนี่ขาดทุนทุกวันเลยนะวันละ5บาท เรื่องนี้มันคงไม่เกิดขึ้นนะถ้าหากว่าชายหนุ่มเนี่ยถามคุณยายว่าขนมคุณยายในยราคาเท่าไหร่นะแกก็ไม่ถามอ่ะแกคิดเอาเองนะขนมเนี่ยคงจะ15บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปเลยนะยบาบาทนี่เงินทอ น, นผมไม่เอาอ่ะอยากจะช่วยคุณยายบางทีการช่วยของคนเราเนี่ย มันกลับไปสร้างปัญหายกับคนที่เราอยากจะช่วยนะก็มีคุณปู่คนหนึ่งนะแกะยืนอยู่ข้างถนนท่าทางเก้งๆกลังๆชายคนหนึ่งขับรถผ่านมาเห็นหน้ากาของคุณปู่คนนี้แล้วเนี่ยซึ่งก็แก่มากที่นะคงจะเก้าสิบแล้วมั้งท่าทางงงๆเงินๆแบบนี้สงสัยอัลไซเมอร์กลับบ้านไม่ถูก แกจอดรถเลยนะแล้วก็รีบพาคุณปู่เนี่ยขึ้นรถปู่แกก็ท่าทางตกใจนะขึ้นรถไปแล้วนี่แกก็ยงังงงง่างเกิดอะไรขึ้นนะชายหนุ่มที่ขับรถเนี่ยก็เลยบอกปู่ว่าเนี่ยปู่บ้านอยู่ไหนนะช่วยบอกทางผมหน่อยผมจะไปส่งปู่ที่บ้านเพราะว่าคนอาลไซเมอร์เนี่ย ส่วนใหญ่เนี่ยกลับบ้านไม่ถูกเพราะจําทางกลับบ้านไม่ได้แต่แกก็ชาหนุก็เนี่ยกิดว่าเนี่ยเดี๋ยวขับรถไปเจอสถานที่คุณเคยเดี๋ยวคุณปู่คงจะบอกได้นะว่าบ้านอยู่ไหนปู่แกก็ไม่ตอบนะพอทั้ท่าจะตอบนี่ชาหวุฒิคนนั้นก็บอกว่าปู่ไม่ต้องกลัวผม ผมไม่ได้คิดลากกับปูเลยนะแค่อยากจะพาปูไปส่งที่บ้านไหนปูมาเลยบ้านปูอยู่ไหนผมมีเวลาผมพาไปส่งได้สักพักปูแกก็บอกว่าเนี่ยแกลังรอลูกสาวมารับนัดลูกสาวไว้เนี่ยตรงนั้นแหละตรงที่ที่ยืนอยู่นั่นแหละว่าจะไปหาหลานสักหน่อย เขกลายเป็นว่าปู่แกก็ไม่ได้หลงทางไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์นะที่แกยืนตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่ากลับบ้านไม่ถูกนะแต่เพราะว่ากำลังรอลูกสาวมารับเขากลายเป็นว่าชายคนนั้นเนี่ยแทนที่จะช่วยปู่นะกลับทาให้ปู่เนี่ยคลายกับลูกสาวลูกสาวมาถึงเนี่ยไม่เห็นปู่ไม่เห็นพ่อนะพ่อหายไปไหนเนี่ยนะเป็นเรื่องเป็นราวอย่างเลยนะยังดีนะที่ ชายหนนั้นเนี่ยพาปู่กลับมาตำแหน่งเดิมก็เลยได้เห็นลูกสาวของปู่เนี่ยซึ่งกำลัง ก, งกังวลกังวายว่าพ่อหายไปไห น, นโอ้พอเจอพ่อลงจากรถดีใจมากเลยถามพ่อว่าเนี่ยพ่อไปไหนมาชายคนนั้นเนี่ยนะปาสนาดีนะเห็นคนแก่เนี่ยสงสารเป็นอัลไซเมอร์หลงทาง อยากจะช่วยนะขับไปส่งบ้านแต่ว่ากลับไปสร้างปัญหาให้กับปู่นะจริงๆเนี่ยก่อนจะพาคุณปู่ขึ้นรถเนี่ยน่าจะถามตรงไหน ว, ว่าปู่มารอใครป่าวหรือว่ามาทำอะไรตรงนี้ถ้าถามสหนายก็จะได้คำตอบอ้ฉันมารอลูกสาวลูกสาวจะมารับฉันไปหาหลาน แต่ว่าแกไม่ถามไม่ถามเพราะอะไรเพราะว่ามีความปรารถนาดีเต็มเปี่ยมแล้วก็คิดเอาเองก็เหมือนกับชายหนุ่มที่ซื้อขนมคุณยายเนี่ยอยากจะช่วยคุณยายคิดเอาเองนะขนมราคา15บาทให้ไป20สิถือว่าช่วยคุณยาย5้าบาทให้การช่วยคนเราเนี่ยนะให้การที่คนเราอยากจะช่วยใครนี่เป็นของดีนะ แต่ถ้าเราไม่ถามนี่บางทีมันก็สร้างปัญหาให้กับคนที่เราอยากจะช่วยนะแล้วมันเปคนที่เราอยากจะช่วยไม่ใช่ใครนะเป็นคนที่ใกล้ตัวเรามากเลยอย่างเช่นพ่อแม่หลายคนที่ปรารถนาดีกับลูกนะ่วนยาก็ปรารถนาดีกับลูกบางคนก็ปรารถนาดีขนาว่ากำหนดเส้นทางชีวิตให้กับลูกชายเลยนะจะเรียนจบมัธยมที่ไหน จบม .6 แล้วจะไปเรียนต่อที่ไหนกําหนดให้หมดนะเข้าคณะอะไรอย่างเธอนี่ต้องเรียนแพทย์นะอย่างห น, นูต้องเรียนวิศวะนะปัถนาดีนะแต่ไม่เคยถามลูกเอว่าอยากเรียนไหมไอ้หมอเนี่ยอยากเรียนไหมนะวิศวะเนี่ยไม่เคยถามแล้วบอกว่าเด็กหลายคนนี่พอเรียนหมอไปโหเครียดนะเพราะว่าแม้ว่า สมองจะดีนะแต่ว่าใจมันไม่ไปเพราะว่าใจนี่อยากจะเป็นเรียนมันธนาศิลป์นะอยากจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการละครแต่ว่าพ่อเนี่ยหรือแม่เนี่ยปารถนาดีต้องเรียนหมอนี่หัวอย่างเธอนี่ไปได้ไกลหรือว่าไปเรียนวิศวะก็ได้อนาคตรุงโกรนนะแต่ไม่เคยถามเด็กเลยนะว่าหนูชอบไหม อยากเรียนไหมเพราะคือเด็กหลายคนเนี่ยทุกข์มากเลยนะทุกข์มากไม่ใช่เฉพาะกับวิชาที่เรียนแต่งทุกกับการคาดหวังของพ่อแม่เช่นพอต้องมาเรียนวิชาที่ไม่ชอบเนี่ยหรือได้คะแนนไม่ดีพอเนี่ยพ่อก็ว่าแม่ก็ดุนะทําไมเธอไม่ตั้งใจเรียนอย่างนี้บางทีเด็กก็เรียนได้ดีนะสาจุห้า แต่พ่อแม่นี่แกคิดว่าอย่างระดับอย่างเธอมันต้องซีนะก็คาดคันบีบกดดันเด็กประสาทเสียไปเลยนะนะอันนี้เรียกว่าเป็นเพราะว่าปราปรถนาดีกับลูกนะแต่ไม่เคยถามลูกเลยนะว่าลูกชอบไหมถ้าลูกไม่ชอบเนี่ยเพราะอะไรไม่เคยถามกำหนดให้หมดและนี่เป็นความทุกข์ของเด็กจำนวนมากเวลานี้นะเพราะพ่อแม่จานวนมากเนี่ยคาดหวังสูงจากลูกมาก เลีกว่าปั้นตั้งแต่เป็นอนุบาลเลยตั้งแต่อยู่อยู่อนุบาลเนี่ยกำหนดชีวิตให้หมดแต่ไม่เคยถามสักคำนะว่าลูกปรารถนาเส้นทางชีวิตแบบนี้หรือเปล่าเพราะเนี่ยปรารถนาดีดีแล้วแต่ว่าถามซะ ก, ก่อ น, นว่าเขาเขาชอบไหมหรือเขาปรารถนาอะไร